พวกเราชาวพุทธพระพุทธเจ้าท่านป ร, รินิพานแล้วแต่ท่านได้มอบไว้่าให้ทํามอวินยเป็นศาสดาทแทนท่นานแัะนเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาเราเข้าเฝ้าพระ พ, พุทธเจ้าต้องสำรวจกายวาจาใจให้ดีที่สุดระหว่างที่หลวงพ่อเทศน์ทุกคนทำใจสบายดูเนื้อรูตัวไป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 ไปฝึกสมาธิฝึกอะไรกันมาได้ข่าววัาที่นี่เรียนหลายรูปแบบฝึกกันนานาชนิดนะมีแบบโกหกก้ามีนะางยุกแบบอะไรตอนไห้มีทุกรูปแบบเลยในไทยเป็นภาพจําลองการปฏิบัติในเมืองไทยก็เป็นแบบนะั้นหลากหลายมากเลยจนกระท่านคนที่จะมาฝึกใหม่เนะี่ยงง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 ถ้าปฏิบัติผิดนะจะพูดโทก็ผิดจะหายใจอนามานสติก็ผิดจะทำของยุบก็ผิดจะทำเนโกเวนก้าก็ผิดผิดไปหมดนะั้นถ้ามันผิดหลักแต่ถ้าถูกหลักนะก็ถูกกันด้วยกันทะนะ่นั้นบางส่วนก็ไปสู่ในระดับทางความสงบจิตได้สมถะธรรมานบางส่วนวิธีการบางอย่างคือจะถึงมิปัสสนาได้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 แต่ถ้าเรายังขึ้นภูเขาไม่ถึงยอดนะเราไม่เห็นว่าทางที่เราเดินเนี่ยดีที่สุดเป็นความเชื่อของเราแต่ถ้าเราขึ้นบนยอดเขาได้หานไปรอบทิศทางมีทางขึ้นดรงนั้นบางทิศทางขึ้นง่ายมีทางรถด่ดนวิขึ้นมาแทบเกรงกลัวตัวเองเลยนะทำไมทางง่ายๆก็มนะีเป็นทางขึ้นทางยากบาที่ปีนหน้าผาขึ้นมายาก แท้จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีการน่ยหลากหลายที่ทะลอะกั น, นทะลอะกันด้วยเรื่องว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนชอบเตียงหน่งของยกดีหรืออาณาปณะสติดีหรืออย่างหลวงพ่เทียนดีหรือกําหนดรูปนามแบบนักอภิธรรมตอนที่หลวงพ่อภาวนาตนะั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เจอครูบาอาจารย์สอนอาณาปณะสติ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 หรืถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าพุโทโธนะเป็นสมถะอย่างเดียวเรื่องมิปัสนาไม่เป็นหรืออนาการณสติทำแค่แต่สมถะกองยุปเป็นมิปัสนาอย่างเดียวไม่ใช่คนปฏิบัติแต่ละกลุ่มแต่ละสายที่เรางพ่อไปสัมผัสมาเกือบร้อยล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละร้อยทําสมถะหรือที่คิดว่าทํามิปัสนาเกือบร้อยละร้อย ในโยก่อนนะปีก่อนเระเบนสานักรนอนสานักงนี่ไปดูเขาส่วเลยเนะี่สิ่งเหล่านี้พวกเรานะเราลืมกประถามที่เราทำอยู่ก่อนลืมความฉลาดนงว่ากูเก่งกูเก่งไปก่อนถ้าเก่งจริงพ้นทุกไปแล้วนะถ้ายังไม่พ้นทุกเขอฟังอย่าทำตัวเป็นน้งชาลังทวยน้ำชาลัง้ว ย, าววยหาประโยชน์ยังไม่ได้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 พระสุนรบรรทัตท่านมีคุณสมบัติเองนะท่านมีศีลนะงั้นเริ่มต้นเพรเรารักษาศีลห้าไก่อนศีลห้าสำคัญนะสำคัญที่สุดเลยบางทีเราก็ถือศีลเอาไว้กันนะพวกถือศีลแก็คูเก่งกวาศีลห้าพวกศีลสิก็กูเหนือกว่าศีลแพวกศีล2องร้อยยูศีลเยอะเพระเห็นคารวะมีศีลห้าสู้กูไม่ได้ความจริง2อ7มอีได้ชื่อที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 ในห้องนี้ใครไม่เคยโกรธเลยยกมือให้หลวงพ่อดสูสิมีไหมมีไหมมีไหมมีไห ม, ม, ไหมใครเคยโลกนะอยากได้ราอยากได้เยกมือสิโอ้โใครบ้านไม่ยกไม่จะดูสาธุเหมนืนพระนาคามีโกรธก็รู้จักใช่ไหมโลภรู้จักฟู้งส่านรู้จักไหมโกหูรู้จักไหม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 ก็ผิดสิข้อสองแก้งทำลายของรัฐคนรักของเขานกะ็ผิดสิข้อสาไปด่าไปว่าเขานะหรือก็ท่านไปชมเขานะเพื่อให้เหลือเสียผู้เสียคนก็ผิดศีลข้อสีหรือใจิตใจซศร้หอมองมีโทสะรุ่มใจไปจินล่านี่ขาดสติหนักกพษี่แค่โทสะตัวเดียวนะั้นมันทำให้เราผิดสี่้าได้ทั้ง5้าข้อเลย โลภะตัวเดียวก็เหมือนกันทําให้เราผิดศีลหได้ทั้งห้าข้อเลตัวโลภตัวเดียวเนี่ยก็นะมีความโลภไม่ไปทำลายคนอื่นก็ได้นะชิงทรัพย์เขาก็ไ้นะไปขโมยเขานะไปเป็นชู้เขานะไปล่อลวงเขานะพูดจาหลอกลวงเขาก็ทําได้หรือเวลามีความสุขเราเพลิดเพลินในความสุขจิตมีราคานะเวลามีความสุขคนไทยเราชอบทําอะไร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 ถ้าเป็นรู้ตัวเลยนะกำลังสร้างอาคุศสและจิตอยู่ไม่ใช่ทำจิตที่เป็นกุศลให้เกิดหรอกกาลังทาอาคุศสอยูนะ่พอลงมือทำนี่นะจิตัึงแน่นไปหมดเลยแข็งไปหมดเลยหรือไม่ก็ซึมนั่งสมาธิแล้วก็ซึมเคยเป็ี่ยนไหนั่งแล้วชอบน้อมน้อม ใ, ใจเติมใครเป็นเปลยนไหอาคุโสนะ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 แทนที่จิตจะเจริญขึ้นจิตก็แยกออกเคยเห็นพวกภ า, า, าวนาเราเพี้ยนไหมเพียนหรือภ า, า, าวนาเราอยู่ในวัดเราเรียบร้อยมากกลับบ้านนียร้อยมากเลยะตัวงพ่อเคยเจอมาแย่ๆเลยนะแต่ก็เป็นโยมนะอยู่วัดเรเรียบร้อยมากเดินผ่านมานอนอยู่นะเดินผ่านนะเดินเรียบร้อยก้มตัวหน่อยๆเดินข้างๆหมา <c oughs> ถามว่าคนะุณป้าทำไมต้องเดินเรียบร้อยอนยะ่างนั้น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 แต่มีวงเล่นมากต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่กิเลสถ้าเล่นไพนะ่แล้วมีความสุขนะเล่นตอนนะ่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนมีสมาธิ่มกันนะแต่สมัติออกนอกตํารวจมายังไม่รู้เลยจิตจดจอ่อตำรวจมาส ก, กิจ ย, ยิ่งยุนะ่งเล่นตอน่อเล่นหนีจนหมดวงไม่รู้เลยนะสมาธิสูงสมาธิได้เกิดกับจิตอักุสมสมก็ได้นะเราต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่กิเลสบางคนบอกเล่นพุ้นนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้วันนะ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 ลมพัดเย็นๆนะสบายใจแค่เดียวใจก็จงสงบ น, น, นะวิธีฝึกให้ใจงสงบนะถ้ารู้เคล็ดนะง่ายที่สุดไอ้ที่ว่าทำสมาธิไม่เคยสำเร็จนะก็ไม่รู้เคล็ดอะไรนี่เคล็ดวิชาเนี่ยสำคัญนะถ้าได้เคล็ดนี้แล้วก็พวกเราปเป็นเรื่องทำกรรมาฐานเราถนัด ก, กรรมาฐานอะไรก็ทำไปถ้าอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธไปรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไป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 ถ้าชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนนะโมโหลงระเริงอะไรก็ร้องนี่ยพี่น่าร่างกายไปเรืจิตก็สงบได้นะคนไหนมีศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็สงบได้คนไหนตั้งใจรักษาศีลมาดีแล้วเวลาคิดถึงว่าโอ้ที่ผ่านมาเรารักษาศีลไม่เคยด่าวร้อยคิดถึงเราไม่บวมโสนคิดถึงศีลที่รักษามาดีแล้วจิตก็สงบได้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 ไม่มีของเล่นเท่าไหร่ทำได้สูงสุดที่ปฐมฌานนะแต่ว่าระหว่างปฏิบัติไปนี่แห้งแรงเหนื่อยเหนื่อยยากลำเข็นมากเลยนะแต่ถ้าจิตมันมีที่พักได้นะเข้าสมาธิพักได้เป็นช่วงชวงช่วงไหนมีเรี่ยวมีแร ง, แรงก็เดินปัญญาไปช่วงไหนอ่อแรงแล้วก็ทาความสงบเข้ามาพักความนะถ้าอย่างเงี้ยจิตใจก็ชุมช่มชืน ม, มีแรงภาวนาเยอะนะ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 มีโทษคือถ้าเป็นติดจะไม่ยอมให้เจริญปัญญางันะ้นถ้าเราจะทําสมถะเราก็ต้องรู้ความพอดีพอควรถ้าทาไปแล้วจิตสงบพอสมควรแล้วเราไม่ยอมเจริญปัญญาต้องน้อมจิตออกเดินปัญญาการน้อมจิตออกเดินปัญญานะี่ยก็คืออาจะใช้การคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เข้าไปเลยใช้มันคิดออกในการกระตุ้นไม่ให้จิตติดเชื้อ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 เพื่อจะเอาไว้ใช้เดินปัญญาต่อเมื่อย่าเรารับผ่อนร่างกายพอสมควรแล้วเนี่ยเอาร่างกายไปทํามหากริมเนะนี่ยถเกิดความเจริญรุ่งเรืองจิตใจนี่เหมือนกันนะพับผ่อนพอสมควรแล้วนะต้องออกไปเจริญปัญญาถึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในธรมร ม, ร ม, รมนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งนะทำเพื่อความสงบเพื่อพักผ่อนสมาธิอย่างที่สองนะต้องเรียนก็คือการฝึกให้จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่นี่สวนมนต์ทำวัดแบบสวดโมกไหมนะหรือส่วนธรรมดามีส่วนมนต์แปลไหมที่นีถ่ถ้ายังไม่เคยสวนนะไปหารามนะทาแปละนะ้ดีมากๆเลยนะในบทธรรมชานะสอนกรรมฐานไปเย อ, ยอะเลยสอนเรมิปัสนาไปเยอะเลยไป่ไปอยๆไปดู่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 จริงในตานะําราเนี่ยฉบอกพระอินทรมดีผินให้ฟังใช่ไหมสายที่หนึ่งตึงไปสายที่สองหย่อนไปสายที่สาพอดีเป็นเพลงไพเราะท่านคิดถึงทางสายกลางขึ้นมาได้ท่านทําสมาธิในตาํารามุ่งท่านนั่งสมาธิจนถึงชั้นที่สี่นะออกจากชั้นที่สี่มาเจริญปัญญาพิจารณาปฏิจจสมุ ป, ปบาททาไมทํำถึงชั้นสี่ คำว่าชานสี่เนี่ยนะมันรวมไปถึงอารูป์ฌานเนี่ยนะอารมณฌานที่หนึ่งสองสามสี่รูปก็มีสี่อารูปสี่เนี่ยจริงๆถือเป็นฌานสี่มีหงสองมีมือเบกขาเอกาตามีโพงธรรมสองในตำราบอกว่าท่านเข้าชานที่สี่แล้วมันตัดอะไรกับที่ไปฝึกจางรูสีเพราะแล้แลสมาธินี่มีสองชนิด น, นะ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 ดูอะไรดีลองดูดอกไม้ดูสิบ้าดอกไม้นีมีกี่ชนิดลองนับสิเดี๋ยวเราก็จะทำเราสังเกตไว้ว่าใจเรามาอยู่ที่ดอกไม้นี่นี่แหละจิตที่สซงออกไปทางตาจิตไหลออกไปทางตาทำไมถึงไหลไปทางตาเพราะมีมีรูปประตัญหาอยากเห็นรูปจิตเ้าไหลไปทางตา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 ไหลวิชิตห้ามไม่ได้แต่ถ้าเรารู้กันวนะ่าจิตไหลไปคิดนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติไความจริงจิตผู้รู้นี่มันทได้2วิธีนะหนงเข้าฌานนะจะถึงฌานที่สองนะี่ราวิโตวิจารจิตจะตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ขึ้นมานะในกัจจปิฎกท่านใช้คําว่ามีเอโกที่ภาวะภาวะให้ความนหนึ่งๆภาวะให้ความรู้นะั่นเองการรู้นะอีกวิธีหนึ่งสําหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆ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 ดูของจิตเปน็นร่างกายไหยดูผมคนเล็บฟันหนังเลย่ยกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงนะจนร่างกายหายไปเพราะไม่เห็นมีจิตอะไรไไโผล่ขึ้นมาพราจิตไม่ใช่ร่างกายะมาดูตอบอีกจิตในความรู้สึกสุขูสข้สึกทุกข์หรือบทล่าทำสมาธิทุกให้มีความสุขขึ้นมาดูไปในความสุขความสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผลไไ่ขึ้นมาเลยนั่งให้นานเลยไม่รับกรดิกนะให้มันทุกขมากมากเลยดูเราไปในความทุกข์ดูไปเรื่อยๆเลยจนมันหายเมือ่อยหายปวดนะ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 ในส่วนจะได้จิตรู้ขึ้นมาไม่ได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพร้อมสำหรับบทเียนสุดท้ายขอ ง, ธธนนะรงพระพุทธเจ้านะนี่หลวงพ่อเทศน์ยาวเืินไปแนละ้คือวันนี้จาว่าต้องเทศนให้จบเลยนานแค่ไหนก็ต้องยอมเลยเะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่มามริการอีกแล้วเรียนให้มากที่สุดนะบดทนไว หลวงพ่อไปเรียจะครูบาอาจารย์ลำบากมานีเยอะเลยนะลบากครูบาอาจารย์อยู่ไกลไกลนะี่บาท่ า, า, น า, ทานท่านก็เปลียนเลยนะหลวงพ่อมาสอนนะนี่นะเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ไกวเดินไปหาญานะ่ะนี่ยาติมาส่เข้าปากไกวแล้วทีไกว ย, ยังไม่กินในรุ่งรุ่ยตะมวยแล้วนะผสมเป็นไกวเล้ว <c oughs> สมาธที่จิตตั้งมั่นนะคราวาทาได้นะหลวงพ่อทำได้แต่เป็นกว่าทีท่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บางคนจิตท่านใหม่อย่างหงพูธศิลปเนะีเจริตัวปริยายา น, นี่สมบูรณ์ไวมากเลยเรวงพุธศิ่ปเจรหน้าหลวงพ่อนะท่านเรียกหลางพ่อผู้รู้ผู้รู้ก็คือตัวผู้โทนตัวผู้รู้ผู้ตื่นรู้ปฏิบัติือไม่ใช่ผู้หลงเท่าไหร่จิตมันรู้สึกตัวอยู่ทั้งวมน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 อ่านแล้วตั้งสงบทเรียนแนะบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิ ต, ตสิกขาศีลสิกขาจะได้ดีถ้ามีสติรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่เกิดกับจิตพรู้ทันปุ๊กิเลสเกิดจิตจะมีสีขึ้นมาอัตโนมัติสมาธิอันที่สองบทเรียนที่2มีสมาธิ2องชนิดคือสมาธิสงบอยู่ในอารมณ์เดียววิธีการก็คือ อ, อ, อาศัยสตินี่แหละไปรเริ่มรู้อารมณ์ัเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะ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 จิตที่เป็นคนรู้คนถูแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งตัวนี้เรียกว่าหาดแยกขันในทางปริยัติเรียกว่านำรูปปริเฉติยามีปัญญาแยกรูปนำใจเป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญานะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้จริงเห็นท้องกองเห็นท้องยุบเราบอกแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกรูปแยกนามเลยเป็นเพ่งรูปไปเพ่งรูปเฉยๆเดินจบกลมยกเท้าแยกเท้ารู้หมดเลยไเพ่งเท้าไปเฉยๆ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 ก็บอกให้ดูพวกทำนี่แหละน่าจะดูไปดัดแปลงซักก่อนนะต้องไม่ดัดแปลงเลยนะร่างกายของเราหายใจอยู่แล้วดูผัสสีเห็นมันหายใจมาเห็นคนอื่นหายใจดูร่างกายของเราตัวเองเหมือนดูคนอื่นอนะดูบ่อยๆไหนไปคิดซะอะไรไปคิดกลับบ้านไปฝึกนะไปทำนะค่อยๆแยกแยกเราไป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 ร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราทั้งนั้นแต่ว่าเป็นรูปเหมือนนั้นนะไม่ใช่คิดเอานะบางคนก็นสอนกันนะให้คิดเอาร่างกายมันนั่งรูปมันนั่งนามเป็นคนรู้ยรูปมันเดินนามเป็คนคนรู้ให้นิชินเอาถ้ามีจิตตั้งมัน่นเป็นคนตูวนั้นจะรู้เลยตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะเราไม่มีชื่ อ, อแต่ถ้าจะใส่ชื่อร่างกายมันน่งรูปมันนั่งอยู่ร่นะางกายมั Ac นเดินร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราร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 เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วออกมาดูกายทำงานถ้าไปได้มันลุกมาคลได้มารุ่นเราภ้มสันม้นจะตายมันบันรูงไปจะเป็นัน่งเข้าชานไม่เข้าก็าดูจิตล้วแล้วเราทำกรรมฐานเลือกออกเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปเรียนแบบของคน อ, งอื่นเขาถ้าคนไหนทำชานได้ทำแบบออกจากชานแล้วมาดูกาย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 มันจะแหวงอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตเลยขาดส บ, บัน้นองไปนะแล้วจิตจะเข้าสู่ความเป็นอิสระช่วงสองสามขณะในแวบเดียวนะอาสวะก็จะกลับมาปิดอีกนะตรงช่วงที่ว่ามันแบบออกเนี่ยจตะสัมผัส น, นิพพานเกิดอรยิยมรรคเกิดอริยผลในขณะนั้นนะแสงสวา่างปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่นิมิต น, นะยังอาโรกโกทธาฏิโแสงสวา่างเกิดขึ้นแล้ว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 เป็นกระบวนการของจิตสถาบ้าช่วงที่จะเกิดอริยมักเนี่ยสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวรวมทั้งหมดแค่เจ็ดขนาดจิตเท่านั้นเองย่างทเรามองมือเราเมื่อกี้นะมองเห็นชัดด้แบบนึง น, นั้นขนาดหนึ่งนะช่วงที่เกิดอริยมารเนี่ยแค่เจ็ขนาดเท่านั้นเองแล้วก็เราเหมือนเราลิกโลกไปเลยอริยมรรคครั้งที่หนึ่งเกิดเนี่ยทำลายอาสวะกิเลส บางส่วนลงไปนะร่างสังโยนาติเล็เบื้องลึกในจิตใต้สำเร็จออกไปเนียถลังของกุศลทั้งหมดที่รวมตัวกันมาทำงานเสร็จแล้วก็มันคลุมไปอย่างเดิมครั้งที่สองครั้งที่สามอสวะกิเลสก็กมากลุ่มอีกครั้งที่สเนี่ยแตกสลายออกไปจิตมันด้ี่คล้ายๆแค่เห็นลูกป่งเนี่ยลูกโปงที่ลอยได้ถ้าเราเช็ไปที่ลูกป่แตก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 พอสู้หรือไม่พอสู้ก็ต้องสู้<笑><笑>ไมงั้นก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเอาจนตายตายแล้วตายอีกอยู่นะถ้าะระลึกได้น ะ, ะระลึกชาติได้หรือมีเทพจัจสูกมีเจโตปริยัญญามีจตุป ป, ปัตญาเนี่ยจะรู้เลยว่าวัฏฏะนน่ากลัวทีสุดเลยเวียนว้ตายเกือนัากลัวที่สุดเล ย, ย, ย, เ น, ลเลยนี่หลวงพเทศมานานเทน่าไรเกือบชั่วโมงครึ่งมั้งได้ไหม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 ก็จะแบ่งให้ชิคาโก้นะวันศุกร์กับวันเสาร์แล้วไปนิวยอร์กนะวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วเสร็จละการจะไปศุกร์เสาร์ที่แรมว่าอาทิตย์จันทร์ที่ l อร์ยแล้วก็กลับสัทิตยนะ์ที่ดีถธอา จ, จารย์โยงตร น, นี้นิมนต์ไป ล, ลูาก็เห็นว่ที่นี่ถ้าจะดีนะอย่างน้อยก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธท า, าลูกศิษย์าอาจารย์เดียวกัน ก็เลยต้องเพิ่มที่นี่ให้ที่ในต้นข้อเลยต้องเพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งกลายเป็นว่าต้องโยู่อริกาสามอาทิย์สงสารคนในเมืองไทยนะแล้นข้อเทพในเมืองไทยครั้งหนึ่งเนี่ยคนฟังมากกว่าที่อเมริการวมกันเดือนนึ่งอีกใจเยนใจมีความโศกรู้สึกแย่แตมีความสศกรู้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 ยิ่งนับปฏิบัติใจไหลแบบรู้สึกแฝบรู้สึกเผลอพันนังเป็นพันพันครั้งไหยยิ่งเผลอพอยิ่งดีว่มามาสงสัยอะไรตอนาีะใช้ได้แล้วครับน้ำมัสกัดครับผมจริงๆก็ยังไปปฏิบัติไม่มากพอนะแต่ก็รู้สึกว่าบางค ร, ราวนชีวิตประจำวันเนี่ยสงบ ม, มากสงบจะไม่ได้เสียหายอะไรนะ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 แล้วพูดอะไรไปไมันก็สีขาดไปแล้วก็มาเสียใจตัวเองว่านี่เต่ากันตอนน้วยกิดขึ้อีกแล้วตอนนั้นเราขาดสติดลนะ้วสีขาดไปตรงที่เสียใจนี้เราก็ขาดสติครันที่สองแล้วนะจิตมีโทสะเกิดขึ้นะให้รู้ทันอะไรที่ไม่ดีเนยเราพลาดพั้งทำไปแล้วนะแล้วก็รู้ทันเหไม่ทําอีกไม่แค่นั้นเองอย่าไปสร้างโศกเสียใจแก่อดีต ปัจจุบันนีขอคุณต้างเดินปัญญาดูกายเยอะๆไห <nelle. S 2> มโยกสมาธิก็ดีนะแต่อย่าให้ติดเฉยหนะ้าเฉยไม่ได้นะดูกายไปดูผมผมเล็นฟันผมเลันก็ดูดูไปได้เราคุณเป็นกั <c ười> บคนเราตบ <c ười> อกไปเสร็จแล้วการท่าน <c ười> <c ười>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 เกๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะหงุหงิเก่งพอหงุดหิ ด, ด, ดขึ้นมาก็รู้หิดขึ้นมาก็รู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องดีเลวก็ได้นะแต่ว่าไม่ให้ผิดศีลห้าเท่านั้นอาจจะจิตจะโกรก็ได้โกรธแล้วเรารู้ดูบ่อยๆเมื่ อ, อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไหร่รู้สภาวะลงตังความเป็นจริงไม่นั้นปฏิบัติอยู่แล้วเช่นกำ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลังงงไม่ใช่ดูอย่างใงดีๆๆรู้ว่าเราปฏิบัติอยู่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 เอาโยก <ขอ S 1> ดนะีโอ้ลูกศิษบันนิ้ดีนะเก่งๆแต่ละคนดูของใส่ดีการรัชการกอเวลายองนั่งแล้วจะเงียบไปเลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกครับราง น, นี่ลองนั่งสิลองนั่งให้มันไม่มีโลกลมันก็มีสิคะ <laughs> มีเลยนะแ้เวลานั่ก็เปิดเทปท่านฟังค่ะ hmm. ที่นี่ก็หลับกัน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 หรือไม่ก็จะกวาดบ้านถูบ้านเลยค<ะ>เครื่องไบทําทงานอะไรเดี๋ยไปคิดว่าการภาวนานหรือการนั่งสมาธินะ่ะแคบไปก<ะ>ารภาวนานเนี่ยทุกๆอิริยาบถทุกๆลมหายใจเข้าออกนะมีสติกํา ก, กับอยู่นะก็ภาวานานอยู่ตลอดแลนะท่านนั่งจนลุกไม่ได้ไม่ดีน ะ, ะ <laughs> พยายามลุกขึ้นมาทํางานดีกว่าตอนนี้ของท่านก็ชัมกว่าแล้วค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 บางงงท่านลอยไปนะนะท่านก็สงสัย่อยจริงเปลานะจิตถอยออกมาจากใที่หลดตุ๊บลงมาเลยขาเคล็ดไปเลยมีนะั้นอยู่กับครูบาอาจารย์นครัแบเจอแปลกๆอย่างรู้ปู ด, ดูล น, นะเวลาท่านนั่งสมาธิตัวท่านจะหายเลยจะหายไปยรักประตาวะเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่ได้ยินมาบ่อยๆก่อนบอกว่านอนอยู่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 เคยได้ยินว่าหลวงปู่นั่งสมาธิแล้วตัวายถ่านเราเสือรี่งปู่นอนสบักเยไม่มีนะอันนี้ตกใจนั้วงปู่หายกานไปอนมาหลวงปู่ยนั่งอยู่บนเตียงในเรื่องของสมสาธิการทำสกาค่ะแล้วเราชมู้ได้ไงคะหลงพ่ว่าเราหมะที่จะดูกาดูใจเองคนอะโฟงสั้นเก่งจิตแ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 ถ้ากรรมฐานอะไรทําแล้วอื่นหักแสดงว่าไม่ถูกฉลิตไม่ทํากรรมฐานอะไรทาแล้วจิตใจสงบสบายอะไรนั้นอย่างรลวงพอถนัดดูจิต น, นะแต่เคยลองดูไก่ไล่อยู่ในร่งางไก่ไล่ไล่ไล่ถ้าดูเร่ร่อนมันระเบิดหมดนะแต่ว่าถ้าเราดูเจตนาดูแบบจะรู้สึกเป็นเครื่องอยู่อยูแบบ่ไล่ตามกระดูกตา่ตางๆ ม, ม, ม, ม, มีกระดูอยู่ท่อน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 ความโสมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสสบความตั้งมัน่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่ห้องปฏิบัติปฏิบัติทั้งันเย็นัวันทั้งวันสิทั้งวันตั้งแต่ื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนั้นจำเป็นเวลาที่เหลือถ้าจะตื่นจนหลับต้องทากิเลสไม่ไงหนะ้าเราถ้รับฟอจ็ด้